ท่านฟังค่ะได้เวลาที่เราจะมาพบกับพระภัยบูรณ์อภิปุลโนช่วงเวลาที่เราจะได้ฟังคําถามต่างๆที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันถามมาแล้วพลอยให้พวกเราได้ประโยชน์ในการที่ท่านไพบูรณ์ได้นําเอาพุทธวจนะมาตอบคาถามเหล่านั้นด้วยนะคะช่วงนี้เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนมรดกการค่ะท่านภัยบูณ์ค่ะค่ะเจริญพรค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาพบกัน แล้วก็มีคำถามจัดว่าค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะเือนต่ว่า <W endo S 2> เป็นการย้อนพระสูตรให้ได้ทราบด้วยอะค่ะจากคุณสราวุธดีมากเลยไปถึงท่านที่ peelthama.com/106 ขออนุญาตที่จะอ่านทั้งหมดเลยได้ัหมคะได้เลยเพราะว่านี้เป็นพุทธวจนะเอาพุทธวจนะมาถามดีมากให้อ่านเลยค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะดิฉันขออนุญาตที่จะอ่านช้าๆด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ค่อยๆฟังพุทธวจนะกันแบบ ละเอียดแล้วก็มีเวลาที่จะทำความเข้าใจได้ตัวของท่านเองด้วยคุณสราวุธบอกว่ากราบนมาส ก, การพระอาจารย์ไพบุญครับมหาสติปทานสูตรหมวดอาณาปานาสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น ย่อมสำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าดังพรนานามาชะนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกาย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 คุณสราวุธเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลนะคะว่าการพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างหมายความว่าอย่างไรครับอันนี้เป็นตัวอย่างคำถามที่ดีมากคือยกเอาพุทธวจนะนีมาถามนะซึ่งก็เลยต้องอ่านให้ฟังถึงจะได้เหมาะสม <c oughs> ต้องไล่มาตั้งแต่แรกก่อนอันนี้เป็นข้อความที่อยู่ในามาสติปทานสูตรก็อย่างนี้อนาบนานสติก็มีส่วนนี้อยู่ทีนี้ว่าสํานวนการแปลของแต่ละสํานักอาจจะไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ก็ใกล้ๆเคียงประมาณนี้ <c oughs> เข้าอันดับแรกก่อนอที่พูดถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช่ไหมพุทธเจ้าได้พูดเรื่องนีไว้สั้นายาวอะไรพวกนี้นะ <c oughs> แล้วก็มาบอกว่าอย่างี้คือการตามเห็นกายเนกาย บางคนก็จงสงสัยว่าตั้งแต่แรกเลยบางคนตามเห็นกายในกายมันคืออะไรเขาก็อธิบายมาตอนต้นทั้งหมดนี่แหละคือตามเห็นกายในกายแล้วก็ยังบอกว่าตามเห็นกายในกายอันเป็นภายในบ้างเฮ้ยกายในกายอันเป็นภายในมันคืออะไรก็ไอที่พูดมาตอนต้นทั้งหมดนั่นแหละคือกายในกายอันเป็นภายในแล้วกายในกายอันเป็นภายนอกคืออะไรก็คือที่พูดมาตอนต้นทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่เข้าใจความหมายของคำว่ากายในกายทั้งภายในหรือภายนอกให้กลับไปดูตอนต้น ก็คือสังเกตลมหายใจเท่านั้นเองง่ายๆที่สุดละคําถามของคุณสราบุธเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะว่าเป็นภายในหรือภายนอกอะไรคําถามเขาอยู่ตรงที่ว่าเอ๊แล้วพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นนะเสื่อมไปแล้วก็ทั้งเกิดขึ้นและเสื่อมไปมันเหมืหมายถึงอะไรก็จะอธิบายฟังคือข้อความตรงนี้อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรถ้าในอนาปานสติสูตรจะไม่มีข้อความตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าอานาปานสติสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะ ไปขโมดไว้ตรงสุดท้ายนะส่วนที่เห็นทําในธรรมมันจะไปจบตอนนั้นคือทําประสูตรไหนที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยนะมันสามารถทําให้เราเนี่ยเข้าถึงวิมุติได้หมดเพราะฉะนั้นจะมีปมที่ขโมยเอาไว้แล้วคลี่ออกแล้วก็จบไปเลยคุณเป็นพระาราล์นไปเลยนะอานาปนาสติสูตรก็จะไปจบอยู่ที่ตรงหม ด, หมดเห็นทํามในธรรมทีนี้ตรงนี้อยู่ในมหาสติปื้นฐานสูตรในเรื่องของลมหายใจ ซึ่งตัดมาตรงนี้ผู้ทีเจ้าจึงต้องเพิ่มส่วนตรงนี้เข้าไปซึ่งจะเห็นว่ามีทุกสูตรเลยนะในมหาสติฐานสูตรเนี่ยมีทุกหมวดนะเป็นกายเวทนาจิตธรรมในกายเนี่ยก็ยังจะมีแบ่งเป็นกายที่เห็นเป็นโครงกระดูกเห็นเป็นอะไรต่างๆจะมีวักนี้ยอยู่ตรงท้ายของทุกทุกหมวดตลอดวักนี้ก็คือเห็นการพิจรารณาเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเสื่อมไปและทั้งสองอย่างหมายความอะไรตรงนี้แหละคือการเห็นการเกิด การเกิดขึ้นคือการเกิดการเสื่อมไปคือการดับการเกิดขึ้นและเสื่อมไปคือการเกิดดับเอ๊ะเหมือนกันปะไม่เหมือนกันนะคุณโยมติ๋วเกิดเนี่ยก็คือหนึ่งขั้นตอนเห็นการเกิดเห็นการดับก็คือเห็นอีกหนึ่งขั้นตอนเป็นหนึ่งขั้นตอนคือเห็นเกิดเห็นดับเนี่ยคือเห็นสองขั้นตอนเห็นสองอย่างเห็นเกิดเห็นดับใช่ไหมคือเห็นสองอย่างแต่ถ้าเห็นเกิดดับเนี่ยคือเห็นอย่างเดียวอ๋อฟังให้ดีนะเหมือนเวลาเรา ปิสวิตช์อย่างเงี้ยเปิดสวิตช์ไฟเราเปิดปึ๊กมันก็เปิดเลยนี่คือเห็นเกิดแล้วปิดสวิตช์ไฟปิดป๊อกมันก็ดับเลยอย่างนี้นะนี่คือเห็นเกิดจบไปละอีกมากอีกต่อหนึ่งเพลินไปละเปลินไปนู่นไปนี่มาเห็นทีอ๋อเห็นมันหายไปลับเห็นดับอ่าอันนี้เห็นเกิดแล้วเห็นดับแล้วดีมากแล้วเห็นเกิดดับเนี่ยคือเปิดปุ๊บแล้วปิดปั๊บเลยอ่านี่ลักษณะนี้ซึ่งจะไม่เหมือนกับเห็นเปิดเฉยหรือเห็นดับเฉยเพราะเห็น เกิดดับเนี่ยก็ขั้นตอนเดียวเห็นเกิดเห็นดับสองขั้นตอนเห็นเกิดดับขั้นตอนเดียวเข้าใจไหม<ๆ>เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่คุณเห็นเกิดดับเนี่ยถ้ามันเห็นได้บ่อยๆมากๆนิดเดียวเนี่ยมันจะดีมากๆอ่าจะเป็นผู้ที่เริ่มมีสติอยู่ตลอดเวลามีปัญญาตรงเนี้ยคือการเห็นเกิดดับเห็นเกิดหรือเห็นดับหรือเห็นเกิดดับเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีเห็นอณิจจังละเห็นไม่เที่ยงละ ค่ะก็เหมือนกับว่าคุณสราวุ์เนี่ยได้ศึกษาในส่วนที่เป็นคําสอนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็เกิดความสงสัยอย่างไรก็ตามในสิ่งที่ท่านไพบูรณ์อธิบายนี้ท่านก็ชี้ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้สรุปมาว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติอาณาปานสติแล้วเนี่ยท่านอธิบายไว้ใน หมวดมหาสติประฐานสูตรว่าจะเกิดกระบวนการของการพิจารณาเช่นนี้เอ่อจะต้องมีตรงนี้นะะถึงจะเรียกว่าตรงนี้ก็คือจบเลยถ้าคุณเห็นอย่างนี้นะเห็นกายเห็นลมหายใจเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดดับโอ้เนี่ยเป็นพระอาารานได้เลยนะค่ะคือสำหรับในสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ยังไปไม่ถึงการเห็นการเกิดและการดับ อาจจะสงสัยว่าท่านกาลังพูดถึงอะไรอยู่แต่ถ้าท่านทั้งหลายเหล่านั้นปฏิบัติไปเรื่อยๆโอกาสที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้นี่มีไหมคะแล้วก็มีทุกคนไหมคะ่ะอย่างเช่นเรานั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมอ า, อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเห็นกายลมหายใจอะไรนี้เอาไว้ก่อนเอาง่ายๆที่เห็นมากที่สุดเลยปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดมันมีตรงไหนเป็นกายมันปวดหมดเลย เน็บชาด้วย อ, อย่างนั้นเลยค่ะบางคนนิ้วยังปวดเลยนั่งสมาธิสมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเขาปวดทุกส่วนเนี่ยนะพอปวดเนี่ยเราดูความปวดละกันนะยกตัวอย่างเราเราบิชเชอร์เห็นอาการปวดตอนแรกๆนั่งไปสองสามนาทียังไม่ปวดพอเริ่มมีอาการปวดนั่นเห็นมันเกิดแล้วยังนะถ้าเห็นมันเกิดแล้วโอเคเองรู้สึกการปวดนี่มันเป็นตั้งแต่นาทีที่สิบจนถึงนาทีที่สามสิบมันก็ยังปวดอยู่จนสี่สิบห้าสิบ ชั่วโมงหนึ่งมันยังปวดอยู่นี่เห็นเกิดเกิดตลอดเลยนะคะใช่ไหมอันนี้คือจบไปละครั้งต่อไปมานั่งสมาธิอบางทีเนี่ยเราอาจจะพบว่าไอ้ตรงที่เราปวดอยู่ถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นนะคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องที่บ้านคิดเรื่องคนนั้นคิดเรื่องนี้เอ๊ะอาการปวดเราไม่รู้สึกไงช่วงนั้นอ่านี่แสดงว่าคุณเห็นดับแล้วนะเห็นการดับของอาการปวดเห็นการเกิดของความคิดเป็นอย่างนี้ะนะถามว่า ทุกคนที่นั่งสมาธิคุณมีประสบการณ์นี้หรือเปล่าคุณยมติวเองก็แล้วแต่คิดนู่นคิดนี่มีอาการปวดมีแน่นอนทุกคนมีนะยิ่งคนที่ฝึกใหม่ๆหรือฝึกมานานแล้วเนี่ก็จะเป็นดังนั้นอีกถ้าฝึกฝึกไปเนี่ยคุณจะพบว่าเอ๊ยเรานั่งนั่งไปนี่นะบางทีเรารู้สึกปวดแต่มันปวดไม่ถึงใจเราปวดไม่จี๊ดจนดเราต้องเลิกแล้วนะบางทีเนี่ยเราสามารถที่ ปวดเนี่ยมันก็หายไปหรือเบาไปแต่อาการปรวดมีอยู่แต่มันไม่กระเทือนเราลักษณะนี้คือเหมือนกับรู้สึกอยู่แต่แต่ไม่เจ็บอย่างเงี้ยนะอ่า อ, อันนี้ก็คือคุณเห็นการเกิดดับเกิดดับเกิดดับละมันก็ไม่สามารถมากระเทือนจิตเราได้ในจิตนั่นนะเห็นเห็นว่ามันเกิดปวดขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามันหายไปใช่แล้วการที่เห็นเราเห็นตัวอย่างนี้ก็คือว่าเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับ ค, คือไม่ใช่ว่าเราเห็นนะแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่ามันมันไม่ปวดแต่อาการปวดมันมีจะอธิบายยังไงล่ะคุณยมติวคือหมายความว่าเมื่อจิตเมื่อจิตไปรับรู้อยู่ที่อื่นาาใช่ไหมคะถูกไหมคะจิตไปอยู่ที่กายอยู่สมมติถ้าอยู่ที่ลมหายใจอย่างเงี้ยก็นำ<ย>ไปสู่การที่อาการปวดนั้นจะเป็นอาการปวดที่มีอยู่แต่ไม่รู้สึกได้ เพราจิตมันไปรับรู้อย่างอื่นถูก<ๆ>ไหมคะใช่ใช่อาจอธิบายอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะถูกถูรับรับ <Lynn. S 2> รู้อยู่แต่ไม่ไม่ไม่เข้าถึงใจหลวงปู่ชาเคยยกตัวอย่างอันนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาท่านนั่งสมาธิอยู่เนี่ยเสียงมาจากในในหมู่บ้านเนี่ยไกลๆเขาเล่นดนตรีกันอยู่เนี่ยก็ได้ยินแต่ว่าไม่กระเทือนจิตของท่านหมายความว่า เ, าเหมือนกับแก้วเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงนี้แต่เราเห็นมันอยูนะ่แต่เราไม่เข้าไปจับมันมันก็ไม่โดนเราเราก็ไม่โดนมันแต่เราเห็นมันอยู่อย่างเงี้ย ก็ ค, คือเรามีความรู้สึกอยู่ว่ามันปวดแต่ปวดเนี่ยไม่กระเทือนจิตเราไม่ไม่จี๊ดอันนี้เป็นตัวอย่างที่ท่านยกมาจากอาการของร่างกาย ใ, <ช>ในขณะที่นั่งสมาธิแล้วมักจะเกิดกันเช่นเดียวกันพอท่านยกตัวอย่างเรื่องเสียงเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะ ก, กระทบกับสิ่งเหล่าเนี้ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ไปลีกเล่นอยู่ในที่วิเวมมกมากเนี่ยนะคะก็สมมุตินั่งในห้องพระแรกๆน่าจะเป็น การที่จะต้องนั่งอยู่ข้ามกลางเสียงบ้างาแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ยเสียงที่มีเหมือนไม่มีอย่างนั้นถูกไหมคะถูกต้องเสียงนั้นเนี่ยไม่กระเทือนเราถ้าอาจารย์คะแต่ทีนี้บางทีเนี่ยคำว่าเข้าใจว่าเกิดดับของท่านเนี่ยนะคะดิฉนันว่าบางทีงแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเกิดดับอยู่ตรงไหนอะ่ะอันนี้น่าคิดมากนะคะว่าบางทีอยู่กับการเกิดดับแต่มองไม่เห็นนะคะท่านร ออยู่กับการเกิดดับแต่มองไม่เห็นคือเหมือนกับว่าเราก็รู้ว่าอยู่ดีๆเสียมก็ทำไมเราไม่เห็นได้ยินอะไรเลยสมมุติอย่างนี้นะคะอะก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่มีเสียงอะไรเลยดีจังก็ก็ดีแล้วนี่เนา ะ, ะก็เป็นอาการที่สติเนี่ยมีจิตจิตเนี่ยมีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นก็ดีแล้วทีนี้พะท่านบอกว่าตามพระสูตรที่คุณสราวุธถามมาใช่ไหมคะ ว่าจะต้องมาจบลงที่สุดท้ายเนี่ยต้องเห็นความเกิดขึ้นในกายความเสื่อมขึ้นในกายเห็นทั้งเกิดทั้งเสื่อมใช่กรณีที่เรายกตัวอย่างเรื่องเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะคือเกิดและเสื่อมปรากฏอยู่แต่มองไม่เห็นถ้ามองไม่เห็นมันก็ไม่เกิดปัญญาหรือเปล่าคะท่านะคะออคือเรามองเห็นจากจากจิตไงเรามองเห็นจากจิตไม่ได้มองเห็นจากอายตนะ เพราะฉะ น, นั้นถ้าเราสามารถปล่อยวางได้แล้วเนี่ยคือเกิดดับนี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะปล่อยวางเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คือเราปล่อยแล้วเราปล่อยอายตนะทางหูเขาแล้วเพราะเราเบื่อแล้วไม่เอาแล้วอันนี้เราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วตรงนั้นเนี่ยหมายความว่าจิตเนี่ยอวิชาตรงเนี้ยจางคลายไปแล้วนะคือคืออวิชานี่มันไม่ได้ว่าอยู่ๆมันหายไปเลยนะคือมันจะค่อยๆจางคลายแล้วก็ดับไปเป็นเรื่องๆเรื่องๆบางเรื่องเรื่องนี้เราปล่อยวางได้แล้วไม่กระเทือนจิตเราของเราอีกต่อไปก็คือจบ แต่ว่าเรื่องอื่นเรายังปล่อยบางไม่ได้ก็ยังมีอวิชชาอยู่ลักษณะนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้มีความรู้ขึ้นเป็นเรื่องๆไปกลับเรียนถามท่านนิดหนึ่งว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรกับที่บางทีก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยนั่งสมาธิได้ได้แต่ความสงบหรือเปล่าวิเวมเชยๆแต่ว่าไม่เห็นธรรมอย่างที่ว่าที่เ่าเห็นเกิดเห็นดับนี่คือเห็นธรรมถูกไหมคะใช่ใช่ คือเห็นเกิดเห็นดับของอะไรได้ทุกอย่างเลยนะเราจะเห็นเกิดเห็นดับของลมหายใจเห็นเกิดเห็นดับของปีติสุขที่อยู่ในสมาธิเห็นเกิดเห็นดับของกายของเราเห็นเกิดเห็นดับของความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันได้ทุกทุกอย่างเวลาเราจะวางเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าตัณหาเนี่ยเกิดที่ไหนโอ้โหตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาที่เกิดขึ้นความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลจากนั้นได้ทุกอย่างเลยนะร้อยแอย่างทั้งอดีตนาคปัจจุบ เวลาตันหามันจะดับเนี่ยดับที่ไหนก็ตรงนั้นทั้งร้อยแปดอย่างอันได้หมดถ้าหากว่าปฏิบัติไปไเรื่อยๆบางคนอาจจะไม่มีโอกาสอ่านพระสูตรแบบคุณสราวุธอืฒิปฏิบัติไปเรื่อยๆพยายามไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองไหมคะอ๋อถูกต้องเวลาที่เราทําไปทําไปเนี่ยสัมมาสมาธิเนี่ยเมื่อบริบูรณ์แล้วเนี่ยจะทํำวิชาวิบู์ให้บริบูรณ์ได้อันนี้เป็นพุทธวจนะนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะได้ความ ประจาการพอสมควรสําหรับบางท่านที่อาชัดสงสัยแล้วไอ้ที่เราทำอยู่นี่ถูกหรือผิดอย่างไดก็พลอยฟังไปพร้อมๆกับคุณสราวุธที่ถามคําถามมาเลยต้องขอบคุณคุณสราวุธด้วย ใ, ในขณะเดียวกันกับที่ต้องกราบขอบพระคุณท่านไพบูลนะคะที่เปิดธรรมที่ถูกปิดให้กับพวกเราในวันนี้คะ่ะนัสการค่ะอาจารย์ฝางท่านฝางคะและนั่นก็คือพระรภับูลอภิปุโนจากวัดปาดรหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่เป็นพระภิกษุอีกรูปหนึ่งนะคะในรายการของเรา ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเป็นประจำในรายการนี้ทุกวันค่ะวันนี้ท่านใดต้องการจะถามคำถามเช่นเดียวกับคุณสราวุธนะคะก็ส่งไปที่ p พ e ยวธรรม a .com/106 ถ้าไม่สะดวกทางอินเทอร์เน็ตท่านติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์022690006ที่นี่เรามีหนังสือแจกให้กับผู้ที่สนใจด้วยแสดงเจตนามานะคะวันละาเล่ม พุทธวจนะชุด9ย้ายอย่างพุทธะท่านคริสโสธิพโลวัฒนาปะพพงลำลูกาคลอง10ก็เมตตามอบให้พวกเรามานะคะส่วนซีดีคุณมดค่ะเป็นลูกศิษย์ของท่านพบูลได้ทำแจกให้กับผู้ที่สนใจจะใคร่ครวญธรรมที่ท่านพบูลได้ตอบในสถานการณ์ต่างๆมามอบให้วันละ5ท่านท่านละ1แผ่นที่เบอร์เดียวกันนี้0 2 2 6 9 0อค่ะขอให้ทุกท่านได้มีโอกาส นำเอาคำสอนของพระาศาสดาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตนะคะรายการของเราจะกลับมาพบ ก, กับท่านใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพุทธวัตรสวัสดีค่ะ